กันอีกเช่นเคย <c oughs> จะทำยังไงวันนี้ <c oughs> หยุดสอนสักวันหนึ <c> ่ง <oughs> น่ากลัวจะชอบใจซิหยุดสอนวันหนึ่ง <c oughs> หลวงพ่อมีวิธีการพอเวลามันเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีวิธีการถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีการแล้ว ไอ้ความเครียดเนี่ยมันจะดองถ้าหากว่าเกิดการดองขึ้นมาแล้วมันก็คิดของมันอยู่เรื่อยไอ้ที่ว่าคิดของมันอยู่เรื่อยเนี่ยมันเอเป็นอันตรายมันส่วนดีไม่เป็นไรส่วนไม่ดีแล้วมันเป็นอันตรายคือใจของคนเราเนี่ยมันมีเวลากลอนได้เพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อถูกกระทบกระเทือนมากเข้ามันก็กร่อนลงไป เวลาที่คนเกิดความเศร้าใจหรือว่าเกิดความ อ, อ, อะไรเหมือนใกล้ตะกอนนอนก้นโอ่องแล้วมันขุ่นค้นคือขึ้นมาเหมือนอย่างก็ว่ามันไม่ไม่สบอารมณ์อย่างเงี้ย่าเอ๊ะคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วคนที่เราชอบใจนั่นะ ก็กลายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ใส่อีกอย่างเงี้ยแล้วมันก็คิดคิดแล้วมันก็ซ้ำซ้ำแล้วมันก็ไปซ้ำอยู่ที่ตรงเก่าใจของคนเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปซ้ำอยู่ที่ตรงเก่าหลับตาก็คิดลืมตาก็คิดเดินก็คิดนอนหลับก็คิดตื่นขึ้นมาก็คิดถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอันตรายเกิดขึ้นแล้ว แอ น, นั้นต้องระวังทำไมระวังแล้วมันจะเกิดไอ้ปฏิกิริยาขึ้นคือความกลอนของใจเนี่ยพอมันเกิดความกลอนของใจขึ้นแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันจะมีเวลาเกิดอการพลิกเห็นผิดเป็นชอบเลืออะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดขึ้นได้แล้วเวลาที่มันจะเกิดนี่มันไม่บอกด้วยมันจะออคอยหาจังหวะ พอได้จังหวะเกิดพอเกิดพับอย่างเงี้ไอ้คนที่เคยมีเหตุผลก็กลายเป็นไม่มีเหตุผลคนที่เคยฉลาดก็เลยกลับโง่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อพูดไว้เพื่อว่าลักษณะของจิตใจเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ต้องรับอยู่แล้วแล้วก็ต้องฝังเมื่อรับฝังกดดันมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสะสม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องรีบกำจัดมันออกไปบางเทมันกำจัดไม่ออกนึกอยากจะไม่ให้มันคิดน่ะแต่พอเผลอๆ เ, เอาา อ, อ, อีกแล้วมันเป็นอย่างงั้นอันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกๆคนคิดไว้ว่าถ้าในกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นน่ะ ต้องให้รู้สึกว่าอันตรายกําลังคืบคลานเข้ามาแล้วสําหรับจิตใจของบุคคลผู้นั้นทางที่แก้ที่ดีที่สุดคือพลังจิตไม่รู้ไม่เชื่อสมาธิรูกเดียวแก้ไขถ้าไปแก้ไขอย่างอื่นเป็นต้นว่ากินยานอนหลับบ้างไปเที่ยวอะไรบ้างมันเพิ่มมันยิ่งเพิ่มใหญ่ <c oughs> ออก็มีเกดเล็กน้อยมาฝากอันนี้เรียวกว่าของฝาก <c oughs> <c oughs> ทีนี้เรามาพูดถึงยานกันทีนี้เอเมื่อาวานก็พูดยานตื่นไปแล้ววันนี้ก็มาถึงยานลึกก็ในข้อไต้ต้นตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็บอกว่าอันที่จริงเรื่องยานเป็นที่ยอมรับของนักธทำสมาธิทั้งหลายอยู่แล้วนับเป็นเวลาอันยาวนาน จากคำบอกเล่ากล่าวขวัญถึงเรื่องนี้อยู่ไม่ขาดระยะเวลาอดีตจนถึงปัจจุบันจากการล่ำารือหรือความจริงที่ได้ประสบกับตนเองทำให้เชื่อว่ายานนี้ทำอะไรอะไรได้หลายอย่างพิเศษกว่าคนธรรมดาจะทำได้แม้จะมีความลึกซึ้งและลี้ลับ ก็ยอมรับนับถือด้วยเหตุดังกล่าวนักศึกษาครูสมาธิทั้งหลายจึงต้องควรทราบข้อเท็จจริงของญาณให้มากเพื่อทำความเข้าใจแก่มหาชนอันนี้ญาณลึกกระดีญาณตื้นกระดีที่อธิบายมาในเล่มนี้ก็คือข้ออุปมาข้ออุปไมเป็นข้อที่ควรคิด อยู่ในที่นี้แต่ว่าจะาพูดถึงหลักการเลยทีเดียวว่า <c oughs> ตัวของยานจริงๆนันมันคืออะไรเราพูดถึงว่าตัวของยานจริงๆคืออะไรตัวของยานจริงๆคือกระแสของจิตความรู้หมายถึงกระแสของความรู้ที่ยังลงสู่จุด ที่มีความชัดเจนด้วยบทบาทหมายถึงกระแสที่ถูกสมาธิอบรมคือจิตของคนเราเนี่ยความนึกคิดเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าคือกระแสกระแสยานถ้าหากว่าเป็นความนึกคิดก็เรียกว่ากระแสอารมณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันลงไปว่า ตัวยานจริงๆนี่คือตัวกระแสที่ได้รับการอบรมเราเรียกว่ายานก็เพราะนาที่นั้นมีความรู้เป็นประดุจจะแสงสว่างยานลึกจึงอยู่ที่ความสว่างแจ้งอันได้แก่กระแสที่มีความห่องใสเพราะการชำระความเปรอะเพื่อนเนื่องจากสมาธิ มีพลังอำนาจที่จะชำระความเปิดเปื่อนนั้นขณะที่ความเปรอเปื่อนมากก็ยังเป็นยานตื้นมาถึงการชำระความเปิดเื่อนได้มากแทบจะมองไม่เห็นจึงจะเรียกว่าเป็นยานลึกแต่ต้องทราบว่ายานลึกนั้นทำประโยชน์ได้มากกว่ายานตื้นเพราะมีพลังสูงเพราะยานลึกนั้นทำ การกําหนดจิตอยู่ได้นานและการที่จิตอยู่กับยาน น, น, นานนั้นด้วยอาศัยพลังจิตความคมจึงเกิดขึ้นอ่าสำหรับยานตื้นนั้นเวลาที่กระแสอันเนี้ยไปอยู่ในจิตเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนักอยู่ได้ชั่วครู่ชั่วยามและมันก็จะไม่อยู่ก็จะ สลายตัวไปในแต่ละครั้งทีนี้สำหรับจานลึกเนี่ยจะไปอยู่ในกระแสอันเนี้ยจะไปอยู่ได้นานหมายความว่าอยู่เป็นวันอยู่เป็นหลายวันเนหรือว่าอาจจะอยู่เป็นหลายชั่วโมงอะไรอย่างเนี้ยแต่ยานตื่นนั้นอ่ะ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็มากเกินแล้วเพราะฉะนั้นการทำงานของยานตื้นจึงทำงานได้ในวงจำกัดคือทำมากไม่ได้มันหมดพลังซะก่อนอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงยานลึกแล้วเนี่ยทำได้ทำได้นานตามอัทยาศัยบางทีจะอยู่ไปจนกระทั่ง สามวันเจดวันอะไรก็อยู่ได้อย่างนี้ถ้าเรียกว่ายานลึกมันจะอยู่ได้นานอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องเข้าใจข้ออธิบายคำหนึ่งว่าเมื่ออายานลึกที่มันอยู่กับจิตได้นานเพราะว่าจิตนั้นมันมีพลังอยู่แล้วมันจะกรองคือมันจะกรองให้เกิดความคมของกระแสเนี่ย แห้มันมีความคมขึ้นถ้าจะพูดกันเท่าว่ายานตื้นไม่คมหรือยานตื้นก็คมเหมือนกันแต่ไม่ใช่มีโกนนั <c oughs> ก็คงจะเป็นอมีดเถือเถือถ อ, อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคมตรงปลายนิดหน่อยส่วนอื่นก็ไม่คมแล้วอย่างเนี้ทีนี้ถ้าหากว่ามาถึงยานเล็กไอที่มันจะคมหมดไปอ่ะทีเนี้ย เรียกว่ามันมีความคมหมดใบเพราะฉะนั้นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือขณะที่ยานอยู่ในตาแหน่งมีความพร้อมคำว่าความพร้อมหมายถึงระยะตั้งของกระแสแล้วก็สิ่งแวดล้อมสติมั่นความรู้แห่งระยะตำแหน่ง พระระยะตำแหน่งนี้มันจะเป็นประกายระยะตำแหน่งของยานนั้นมันจะมีที่ตั้งในที่นี้ก็จะต้องบอกว่าในระยะตำแหน่งนั้นจะอยู่ในระยะของความละเอียดถ้าเราสังเกตเวลาที่เรานั่งสมาธิใ้ตำแหน่งที่มันจะ เอทําให้เกิดความพร้อมเนี่ยมันจะอยู่ในตําแหน่งที่เสียงอะไรต่างๆเข้ามากระทบนี่ไม่กระเทือนไม่กระเทือนอันนั้นถ้าเสียงมากระทบอยู่ยังกระเทือนอคือว่ายานยังเข้าสู่ตําแหน่งนั้นไม่ได้ก็ต้องอยู่ตําแหน่งตื้นไปทีนี้ถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ว่าเสียงอะไรมาก็ให้มันมาเอะ มันเข้ามาไม่ถึงได้ยินหม่นกันแต่ว่ามันมาไม่ถึงาญาณในระยะนั้นเออ้าเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งาญาณลึกมันมีตําแหน่งทีนี้ <c oughs> คาว่าความพร้อมนั้นในตาแหน่งนั้นมีความพร้อมอย่างไรคือความพร้อมก็หมายถึงวกเกราะหมายถึงความแก่งและเกรอะและสิ่งที่ครอบครอง และสิ่งที่ป้องกันมันจะมีอยู่พร้อมทีนี้ถ้าไม่ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเอความครอบครองก็ไม่มั่นคงกราะก็เพราะบางอย่างนี้เมื่อก ร, ะราะเบาบางแล้วเรากำลังทำยานอยู่ดีๆเนี่ยเสียงประทัดต้องกระเด็นเลยยานเยินหลุดเลี่ยนไปไม่รอดนะ แต่ถ้าหากว่าเป็นยานลึกแล้วเนี่ยต่อให้มันเสียงปืนใหญ่หรือเสียงลูกกระเบิดมันก็เข้าไปไม่ถึงเพราะมันเป็นเกาะกำบังของมันเองมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นที่ที่เรียวกว่าที่เกาะกำบังอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ง่ายง่ายต่อการรู้ว่ายานลึกมันอยู่ตรงไหนยานตื้นมันอยู่ตรงไหนอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้เมื่อมาถึงยานลึกแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าประกายประกายนี่มันจะนอกเหนือจากกระแสกระแสจิตเนี่ยมันเป็นกระแสที่ว่าคิดหรือว่าพุ่งไปหรือว่าเป็นกระแสออกเขาเรียกว่าเป็นกระแสแต่ทีนี้สำหรับประกายนั่นมันมันมีความคมยิ่งกว่ากระแส เรียกว่าประกายทีนี้ไอ้ประกายตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะอธิบายมันเปรียบเหมือนกับอันนี้ก็ไปเปรียบเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> ไม่รู้จะทํำยังไงดี <c oughs> อ่าก็ให้ถือว่ามันมีความคมกว่ากระแสะก็แล้วกันให้ประกายอันเนี้ยเป็นกระแสะจริงจะมีความคมกว่าเราก็ พูดยังไงก็เช่นอย่างว่ากระแสไฟอย่างเนี้ยทีนี้กระแสไฟเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เอแข็งแรงตามกระแสไฟมานี่ก็คือสิ่งตัดให้ขาดมันจะมีเออถ้าเรียกว่าประกายประกายตัวนี้ก็คงจะเป็นไอ้แก๊สหรืออะไรอย่างนี้ไปตัดเหล็กให้ขาดอย่างเนี้ยเออมันจะมีแต่ว่า อันนี้ก็ยังเปรียบก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดอะไรก็เราลองคิดดูนี้ให้นักศึกษาคิดเอาเองว่าประกายของยานคืออะไรทีนี้เราเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วตัวอะไรที่มันก่อให้ประกายนี้เกิดขึ้นมันต้องมีเพราะว่าตัวที่จะก่อให้เกิดประกายตัวเนี้ยมันก็จะต้องมี การที่จะให้เกิดประกายตัวนี้ได้ที่จะเกิดขึ้นเนื่องด้วยความมีจุลธาตุของยานเ้าเรียกว่าจุลธาตุของยานอันนี้คำว่าจุลก็เรียกว่าเล็กเดียวคือมันไม่ใหญ่ถ้าหากว่ามหาก็ใหญ่ถ้าเรียกว่าจุลมันก็เล็กอย่างนี้แต่ ในนามว่าจุลธาตุจุลธาตุคือปรากฏการของยานลึกเป็นตัวก่อให้เกิดประกายในจุนลธาตุนี้คือถูกจุดพลังอำนาจเที่ยวด้วยพลังพิเศษจากหยาบกลายมาเป็นจุนลธาตุเราจะได้ฟังคำอธิบายแล้วว่าในตอนต้นๆมา ว่าการที่มีจุดพลังอานาจเกิดขึ้นและเมื่อจุดพลังอานาจเกิดขึ้นแล้วในจุดพลังอานาจนั้นจะมีการตั้งหน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามที่เราพูดกันนี่แค่สองสามหน่วยที่จริงแล้วเนี่ยจุดพลังอานาจจะตั้งได้เป็นร้อยร้อยหน่วยกี่ร้อยก็ได้อย่างนี้ แต่พอปรากฏชัดเจนอยู่หน่วยสองหน่วยคือหน่วยรักษาโรคหน่วยรู้อนาคตหน่วยระลึกชาติอะไรหน่วยวิปัสสนาอะไรอย่างงี้เป็นต้นหน่วยเหล่านี้เกิดจากจุดพลังอำนาจหน่วยทีนี้เพื่อให้มันชัดเจนขึ้นก็ใช้คำว่าหน่วยงานขึ้นมาเลยหน่วยงานซะมันก็ชัดเจนขึ้น ทีนี้ในหน่วยงานนั่นเนี่ยมันมีจุลธาตุจุลธาตุคือถูกจุดพลังอำนาจที่เขี่ยวด้วยพลังพิเศษจากหยาบกลายมาเป็นจุนลธาตุในที่นี้จึงเกิดยานลึกและยิ่งลึกคือหมายความว่า อ, อาศัยการเขี่ยวหรือเรียกว่าการ ใช้พลังเนี่ยเหมือนกันกับไฟที่ต้มน้ําอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าพลังเพลิงพลังไฟที่จะทําน้ําให้เดือดเวลาเดือดแล้วเนี่ยมันจะแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงเออันนี้คือพลังน้ํามากเท่าไหร่ก็แห้งลงแห้ ง, หงลงด้วยความร้อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจากหยาบ จึงกลายมาเป็นจุลธาตุในที่นี้จึงเกิดยานลึกยิ่งแล้วก็ยิ่งลึกอาศัายจุลธาตุย่อลงเป็นหน่วยงานในในการที่เร า, าสมมติเป็นจุลธาตุเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเพราะว่าเวลากำหนดจิตลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเรียกว่า สิ่งที่เราไปจับออกมาได้หรือว่าเป็นดินเป็นโคลนเป็นผงเป็นอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ว่าแม้ว่าไม่มีตัวแต่มันเป็นปรากฏการณ์ไม่ไม่มีตัวแต่มันเป็นปรากฏการณ์ในปรากฏการณ์นี้ก็ปรากฏการขึ้นเฉพาะผู้ที่มีจุดพลังอำนาจแล้วหรือ ผู้ที่ถึงจุดพลังอำนาจแล้วในที่นี้เร า, เากําลังอธิบายถึงเรื่องยานลึกในยานลึกเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครๆแต่ต้องไม่ได้หรือใครๆถึงไม่ได้ถ้าเราต้องการก็สามารถที่จะทำให้ถึงได้แต่ว่าสําคัญที่สุด นั้นเราจะต้องเดินเข้าสู่จุดพลังอำนาจเป็นสิ่งที่เราประสงค์ที่จะให้ถึงเพราะว่าจุดพลังอำนาจอันนี้มันมีประสิทธิภาพมากมายทีนี้เมื่อเราเข้าใจคือ มาเข้าใจในเรื่องของยานลึกแล้วอย่างนี้เราก็จะต้องรู้แล้วว่าทำไมเราจึงต้องมาศึกษามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจึงประกอบไปด้วยทานประกอบไปด้วยยานอย่างนี้และสิ่งเหล่านี้เราพูดกัน เพียงว่าวินาทีเดียวก็จบแต่ว่าการกระทํานั้นไม่ใช่วินาทีเดียวเช่นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าสร้างบ้านหลังหนึ่ง ส, ยสวยๆไม่ถึงวินาทีจบแล้วคําพูดแต่เวลาไปทํานั้นใช้เวลากี่ปีใช้เวลากี่เดือน ใช้การกระทำเท่าไหร่อันนั้นอ่ะมันก็จ ะ, ะเป็นคนละเรื่องกันก็คคำพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดหอว่ายานลึกเราพูดบอกว่านิยานตื้นมันก็ต้องมีการทำความเข้าใจแล้วก็รู้เช่นอย่างว่าประกายอย่างเนี้ยไอตัวประกายเนี้ย ที่จะออกมาจากยานเนี่ยอันที่มั น, นมีความสําคัญอยู่ตรงตัวประกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ยานลึกจะไปทํางานเขาต้องเอาตัวประกายนี้ไปทําด้วยเมื่อเอาตัวประกายไปทําด้วยเนี่ยอิทธิพลจึงมากกว่ายานตื้นหลายเท่าตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ไอ้ความแรงเช่นอย่างไอ้ความแรงของไฟเนี่ยเราเห็นแสงไฟอย่างนี้มันก็เป็นกระแสรเราก็เห็นอยู่แต่กระแสเหล่านี้มันตัดเหล็กไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่หากว่าใช้ห้าร้อยโวล์พันโวล์เพิ่มเติมขึ้นมาหลายหลายพันโวล์อย่างเนี้ย มันพุ่งเข้าไปหาเหล็กละลายเลยนี่คือประกาย <c oughs> เราเรียกกันว่าประกายอย่างเนี้ยอย่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไอเยอรมันมันผิดรถถังขึ้นด้วยเหล็กกล้ายิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าและเซียก็เลยเทำรถพ่นไฟ ไปพ่นให้รถถังนะั่นมันละลายเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือนอกเหนือจากกระแสแล้วมันก็กลายเป็นประกายเพราะฉะนั้นเวลายานเกิดขึ้นเนี่ยอย่างคนที่ทำยานอย่างเนี้ยพอเวลาที่เข้าไปสู่ยานลึกที่มันกลายเป็นประกายเนี่ย ตัวโรคภัยไข้เจ็บหรือตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันทานไม่ไหวแล้วพราะวนมันสูงโดนประกายเข้าก่อละลายหมดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดไปพูดมาคือพูดไปตามหลักวิชาการแต่ใครจะได้หรือไม่ได้นั่นไม่รู้รวมพ่อเองก็ไม่ได้รับรองตัวเองว่าได้แต่ก็พูดได้ ว่าไอ้ประกายอันนี้ที่มันออกจากจายานลึกเนี่ยมันเป็นประกายที่เกิดมาจากจุลธาตุและจุลธาตุมันจะเกิดเชี่ยวมาจากจุดพลังอำนาจจุดพลังอำนาจเกิดขึ้นมาจากพลังจิตที่สะสมขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นแนวของมันมา เ, เป็นทางมาเรื่อยๆทำให้เรารู้ว่า แต่ น, นี้ไม่ไกลนะพอเราขึ้นดอยอินทนนทกลับมาก็เพ่งก้อนหินให้มันละลายซะเลยว่าเขไปนั่นอย่างนั้นก็ได้แบบเดียวกันกับไอ้ลูกศิต์เขาไปเรียนคาถากับอาจารย์ไปเรียนคาถากับอาจารย์นะลูกศิตก็มาเรียนอย่างดีเลย บอกว่าแกจําได้ไหมบอกว่าจำได้นนเขาก็เลยเข้าไปนั่งสมาธิในป่าทีนี้มันก็เกิดยานเสดทีเนี้ยเกิดยานขึ้นมาอาจารย์บอกว่าน้โมพุทธยะแต่มันจําว่าน้โมพุทธยะมันไม่ยะมันแยะน้โมพุทธายะทีนี้หน้โมพุทธยะของมันนี่แหละแล้วมันก็เสด หินเป็นมันเทศกินสบายเลยแล้วมันก็กลับมาหาอาจารย์อาจารย์ก็อถามว่าแกไปสมาธิเป็นไงบ้างโอ้โหมันยอดเยี่ยมเลยมันยอดเยี่ยมยังไงบอกว่าเสกินเป็นมันเทศกินสบายเลยแล้วแกว่าไงอ่ะของก็ว่านโมพุทธา ย, ยะสิเอ้ยแกมันพิดแล้วนี่ว่า ว่างั้นเฮ้อผิดแล้วครับผิดแล้วโอ้ทีนี้ก็เลยกลับใหม่ไปถึงนโมอพุทธยะทีนี้ไเลเ็จหินไม่เป็นมันเทศเลยพ้าใจมันแว่งยานมันไม่เกิดประกายมันหายไปไอ้ที่แรกเนี่ยมันเชื่อมันนะประกายมันขึ้น่ะไอ้ประกายจะเนี้ขึ้นทีนี้พอเวลาไปทีหลัง เอะที่ก่อนเราผิดออไม่น่าจะผิดเลยทีนี้ใจมันก็เลยเขวะมันก็เลยเหลือแต่กระแสไม่มีประกายเสกินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นมันเทศแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรืองของมัน <c oughs> ว่าไยใครจะใครจะนโมพุธทธายะหรอร้องพ่อให้คาถาระวังให้ดีนะใครจําผิดจําผิดไม่เป็นไรขอให้ใจมัน่นเดี๋ยวมาบอกอ้าว นี่คนละมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วไม่ต้องบอกผิดผิดแล้วแล้วไปงั้นเถอะจำได้ใช้ได้แล้วก็กลับมาพูดกันถึงเรื่องประวัติกันต่อไป <c oughs> ใช่ถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ย <c oughs> ไปบวชเขาเรีย ก, กว่าหลวงตาแต่หากว่าเออ คนยังไม่มีครอบครัวไปบวชเมื่ออายุมากแล้วเขาเรียกหลวงพ่อคนเนี่ยฟปชอบเรียกหลวงตาเขามาเรียกหลวงพ่อว่าเป็นหลวงตาเฮ้ยเราบวชตั้งแต่อายุสิบ ก, กว่าปียังไม่มีครอบครัวไม่ใช่หลวงตาอันนี้หลวงพ่อถ้าเลยหลวงพ่อก็เป็นหลวงปู่ไปเลยหมดเรื่องอย่าไม่เอาหลวงตา หลวงตาไม่เอาเพราะฉะนั้นพระอาจารย์คงมาท่านถึงเป็นหลวงตาแต่ไม่เคยเรียกท่านเป็นหลวงตาเพราะว่าเขาลบท่านเวลาที่พูดมานี้ก็อุปมาอุปไมยก็ขออภัยท่านไว้ก่อนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยคนซักไซไล่เลียงอะไรอดซักไซไล่เลียงว่าทําไมเอ ท่านอาจารย์ถึงแล้วต้องมาบวชละในเมื่อมีครอบครัวแล้วอย่างเนี้นะฮอใก็บอกว่าเมียเรามันเวลาออกลูกแล้วตายเลยเอวน้ออกลูกตายเลยหมายความว่าไงก็หมายความว่าทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้ตายไปหมดท่านก็เกิดความเศร้าใจเมื่อเกิดความเศร้าใจแล้วท่านก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วออกบวช ทีนี้พอบวชแล้วไปอยู่ที่วัดของท่านใกล้ๆบ้านพอไปอยู่ไว้ของท่านแล้วเนี่ยไออพระในวัดนั่นอะก็กินเหล้าเมา<อ>เวลานั้นก็นอนเรียงกันเป็นแถวไปอย่างเงี้ยสามองคศีองค์พอเมามานี่เหยียบคอเลยนี่ทำอย่างงี้วันหลังมานี่ท่ามหัวเหยียบคอเหยียบแขนเอ๊ะ ถ้าหากาอยู่อย่างนี้บวชมันคงจะไม่ได้เรื่องแล้วได้ยินว่ามีอาจารย์เก่งที่สุดองหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกาลสินตัวท่านอยู่ที่จังหวัดสกลนครท่านก็เลยไปที่จังหวัดกาลสินจังหวัดกาลสินนนะ่ะที่เป็นอาจารย์นะ่ะเขาเรียกว่ายาคูวันคา เชื่อว่ายาคูวันคําเป็นพระที่ปฏิบัติดีที่สุดในสมัยนั้นทีนี้เมื่อไปอยู่ด้วยครั้งแรกก็ดีต่อมาเขาก็ใช้ให้แต่าอาจารย์คงมาเนี่ยไปถากหยาอานจอบเนี่ไปถักหยาทุกวันทุกวันวันหนึ่งยาคูวั น, นคําคเขาก็มาบอกอาจารย์คงมาว่า ไห้ถากหญ้าหนิ่งก็ผิดวินัยนะอ้าวผิดวินัยแล้วทำไมให้ผมทําอ่ะอยว่าฮะเอ้ยมันจําเป็นเนี่ยมันไม่มีชาวบ้านเข้ามาช่วยเราก็ต้องถากเองท่านเห็นถ้าไม่ดีแล้วเอนี่เราคงอยู่อยู่ก็วินั ย, ยดังๆท่านก็เลยลา อ, อยา่าควรคําเดินกลับมาที่บ้าน อตองขบพอมาบ้านตองขบก็ได้ยินข่าวว่ามีตาประขาวคนหนึ่งปรา ก, กฏอยู่ที่ใกล้ๆบ้านอาจารย์กลงมาท่านก็ไปหาตาปขาวเป็นนิเมื่อไปหาตาปขาวตาปรขาวเขาก็เทศให้อาจารย์คงมาฟังว่าทำไมเทศเก่งนักแค่ตาปรขาวเนี่ยว่าว่าทำไมถึงเทศเก่งนัก แล้วก็เทศผูกใจด้วยแล้วท่านอาจารย์โกมาก็ถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านก็ได้รับคำตอบว่าพระอาจารย์มั่นภูดิทัตโตเป็นอาจารย์เมื่อได้รู้อย่างนั้นแล้วท่านก็ถามตาประขา ว, ว่าเวลานี้พระอาจารย์มั่นอยู่ที่ไหนได้รับคำตอบว่าอยู่ที่าสามผงดงพนา สามองดงพันอาก็คือดงเนี่ยป่าใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าดงดงนั่นเชื่อว่าดงพันอาแล้วก็สามผงก็เป็นอำเภอเขาเรียกว่าอำเภอสามผงแล้วมันจะมีป่านี่เดินห้าวันห้าคืนนี่ไม่ไม่ทะลุ ก, ก็เรียกว่าเป็นป่าใหญ่เมื่อไปถึงถ้าจังกรมาเนี่ยท่านไปเดินจาก อำเภอเมืองนี่ไปถึงอำเภอสามผงเมื่อท่านเดินไปถึงนี่ท่านก็มองดูป่าดูอะไรมันน่าแปลกจริงๆมองเห็นกุ ธ, ธิก็ น, นู่นนึงหลังนึงนี่หลังนึงในขณะนั้นพระอาจารย์มั่นกำลังนั่งเทศบูพระอาจารย์กรงมานี่ไปก็ไม่กล้าขึ้นในขณะนั้นนั่นเอง หลวงปู่มั่นท่านก็หยุดเทศแล้วบอกให้พระเนี่ย<ไ>เข้าไปตามบอกว่ามีใครไม่รู้เดินมาแอะท่างกลางคืนเลยมาหาเราไปรับทีแปลกท่านนั่งเทศอยู่ท่านก็รู้พอเสร็จแล้วพระก็ไปตามพระอาจารย์กรงมาขึ้นมามาถึง ไม่พูด่าพทำเพลงแล้วอนั่งเลยนว่าเน้นท่านก็เทศต่อเทศต่อจนกระทั่งจบเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ า, ร า, ารออนะพระอาจารย์เกล่นชื่ององหนึ่งนะพระอาจารย์เกลิ่งเนี่ยเป็นพระที่มีคนนับถือหมดทั้งสำหงดงพนอวแถบแถบนั่นท่านจะเป็นผู้ที่มีภาถาอาคม แล้วก็เป็นที่เรื่องลือเขาเรียกว่าอุปชาเกินในขณะนั้นนั่นเองอุปชาเกินนั่นน่ะได้เข้ามามอบตัวเป็นลูกศิษพระอาจารย์มั่นในอาทิตย์นั้นแล้วท่านเป็นอุปชาเนี่ยก็ต้งแต่สิบพรรษาขึ้นไปจึงเป็นอุปชาได้พระอาจารย์เกิ่น ท่านบอกว่าเมื่อฟังเทศแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วขอบวชกับพระอาจารย์มั่นคือหลวงปู่มันโดยที่สละพรรษาเดิมที่สิบพรรษาออกไปมาตั้งเป็นพระใหม่บวดใหม่ขึ้นมาก็พอดีกำลังเทศให้พระอาจารย์เก่งฟังพระจังกงมาอาจารย์ของหลวงพ่อก็เข้าไปฟังพอดี พอเรเวลาเขาไปฟังแล้วนี่ท่านก็บอกว่ากงมาเอ้ยอัตัวเธอตั้งใจมาก็จริงตัวของเธอแต่เพื่อนของเธอที่ไม่ตั้งใจเท่าไหร่ เ, เขาไปด้วยกันสององค์คืออาจารย์มีองค์หนึ่งไปด้วยกัน ก็อาจารย์มีเขาก็เป็นคนที่มีความรู้มากกว่ารพระอาจารย์มั่นทําไมถึงว่าอย่างนั้นในที่สุดต่อมานี่พระอาจารย์มีก็อยู่ไม่ได้ก็สึกลาสิขาไปโดยเหตุผลอะไรท่านก็ไม่พูดให้ฟังและจากนั้นท่านก็นให้ท่านอาจารย์คงมาเนี่ยนั่งสมาธิเอาเป็นเอาตายเลย ก็อยู่ในดงนั้นนั่งสมาธิอยู่ในดงสามสงดงพนาหมายความว่าได้เจอพระอาจารย์มั่นสมความประสงแล้วก็คงว่าเมื่อไปเจอพระอาจารย์มั่นอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์คงมาท่านคคงจะต้องมีอะไรอีกเยอะที่จะต้องศึกษากับพระอาจารย์มั่นหลวงพ่อก็คงจะต้องไปถาม ไม่ใช่ไต่ถามเล็กน้อยก็ต้องไต่ถามกันได้เยอะหน่อยแต่เพื่อที่จะให้กันนักศึกษาได้ถามปัญหาเยอะๆหน่อยก็ขอยุติประวัติพระท่านนี้ก่อนกลาบนืัสการพระอาจารย์หลวงพ่อคะ่ะเรื่องที่จะกลับเรียนถามเป็นเรื่องของไก่ทิปยนะคะจากเพื่อนสมาธิคนหนึ่งนะคะทำไมเขา เวลานั่งเอ่อถอดกาทิปเนี่ยออกขวาและซ้ายเนี่ยเขาถอดได้แต่เวลาขึ้นทางตรงหรือว่าเวลานอนถอดไม่ออกออกทางปลายเท้าแล้วติดทางปลายเท้าเป็นเพราะอะไรคะมันถอดทางปลายเท้าไม่ออกเอ่อถ้าถ้านอนนะคะมันจะติดปลายเท้าแต่ถ้านั่งเป็นเอ่อถ้านั่งจะออกซ้ายขวาจะถอดได้แต่ถ้าตรงจะไม่ได้เนื่องจากอะไรคะไม่อันนี้ก็ตอบยาก ออกเดินจะออกแบบไหน <c oughs> ด้วยพลานุภาพจิตขนาดไหนออย่างนี้อธิบายงี้ดีกว่าว่า อ, อว่าถึงอาทิตมันกายเนี่ยเราเข้าไปสัมผัสถ้าเป็นเวลานอนหลับเนี่ยเราเข้าไปสัมผัสทีนี้การสัมผัสเนี่ยจะต้องสัมผัสด้วยการเคลียกายหยาบนี้ให้หมด ถ้าเคลียร์กายหยาบไม่หมดนี่มันถึงกายละเอียดไม่ได้แม้นว่าเราคิดว่าเป็นอาทิสมันกายหรือกายทิศกายละเอียดนั้นแต่ถ้าเราเคลียร์ร่างกายหยาบนี่ไม่หมดมการที่จะเข้าถึงกายทิศ ม, มันไม่ใช่มันกลายเป็นสัญญาหรือเป็นความคิดความคิดกับใ<ม>ความจริงเนี่ย มันก็อยู่ที่ตรงว่าเวลาที่เราจะไปสัมผัสกับกายทิพย์นี่เราต้องเคลียร์กาละเอียดให้หมดเมื่อเคลียร์กายละเอียดหมดแล้วเราถึงจะสัมผัสกายทิพย์ได้แต่การสัมผัสกายทิพย์จนกระทั่งถอดถอดกายได้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่เออตอบไม่ถูกเพราะว่า yet. ถามต่อเนื่องได้ไหมคะมีคนหนึ่งเขาถอดได้นะคะทีนี้ท่านั่งของเขาเนี่ยตัวจะเอียงเอียงทีนี้เ อ, อบางคนเขาบอกว่าเรื่ อ, เ อ, องเนี้ก็ข อ, อ, อยุติเรื่องกันถอดกายสัหน่อยเพราะว่าได้อธิบายแล้วว่าการที่จะเข้าสู่กายละเอียดได้นั้นก็ต่อเมื่อเราเคลียร์กายหยาบไปแล้วเราควรจะทราบกันแค่นี้ลนแล้วค่ะ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณคมิพลปชากราบนำมันการเรปรตทุกคุณหลวงพ่อที่เคารพกับผมอยากทราบว่าสมาถะกับสมาธิอย่างไหนเป็นคำที่ละเอียดลึกซึ้งกว่ากันอย่งไรครับสมถะกับสมาธินี่ก็คืออันเดียวกันเหมือนกับจิตกับใจอย่างเนี้ย <c oughs> แต่ถ้าหากว่าจะพูด สมถะและวิปัสสนาก็อย่างนั้นก็มันคลองดีแต่จะว่าสมาธิกวิปัสสนามันก็ไม่ได้แท้จริงแล้วสมถะกับวิปัสสนาคือข้อความข้อเดียวกันนั่นเองผมขอกับเรียนถามอีกข้อหนึ่งคนเราส่วนมากนี้มีความกลัวกลัวผีกลัวความตาย ท, ทั้งที่ก็จะตายอยู่แล้ว ทำไมจึ ง, จงกลัวครับ้วมีความมีการแก้ไขอย่างไรความกลัวนั้นเพราะว่าไอ้คน เ, เราเนี่ย เ, เราลักชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่ลักมากอย่างลูกเราตายภรรยาตายอย่างเงี้ยก็เสียใจเมื่อมาถึงเราตายตัวเราก็เสียใจตัวเราเองก็กลายเป็นความกลัว ละความกลัวอันนี้จะแก้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นได้สร้างบุญกุศลไว้เยอะตายก็ตายละจากชาตินี้ก็ไปสู่ความสุขแล้วอย่างที่ทำมิกอุเบิดอุบาสกเขาทาบุญแล้วก็เขาได้สาเร็จฌานสำเร็จญาณแล้วเขาก็บอกว่าตายไม่ต้องกลัวไม่มีความกลัว กลัวเพราะว่าเรายังทำอะไรไม่ได้มากอย่างนี้เป็นตน้นกราบขอบพระคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณนุชชนาะประคองวงกราบรมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อคะ่ะลูก ม, มีสิบมีเรื่องจะถามเหมือนกับเพื่อนเมื่อวานนี้คือคุณแม่สิ้นไปสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เข้าห้อง i อซีูแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ แล้วคุณแม่ก็คล้ๆก็มองไม่มีจุดหมายแล้วก็อยากจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะปิดเบสเตอร์อย่างเงี้ยค่ะคือตอนที่คุณแม่จะสิ้นนะคะคือก่อนหน้านี้แม่ก็ถือศีลแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิจนตัวลอยแต่คุณแม่ก็กลัวก็เลยหยุดแต่ว่าถือศีลอยู่พอคแม่จะสิ้นน่ะคะ่ะลูกก็ภาวนาไปด้วยจนแม่พับไปพอเ ส, เสร็จแล้วคุณหมอก็ก็แก้ไขอ่ะคะ่ะ ก็เลยอยากจะทราบว่าคุณแม่ไปตอนตอนแรกกับตอนที่ไม่รู้สึกตัวตอนที่อยู่ห้องไอซียูเนี่ยคุณแม่จะไปดีหรือว่ายังไงคะอยากจทราบว่าคุณแม่นั้นเดินได้จิตวิ ญ, ญญาณออกไปตอนไหนค่ะด้วยค่ะแล้วก็เออ okay. จิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยจะออกไปตอนที่ร่างกายเนี่ย ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วจิตก็จะต้องออกแต่การที่ช่วยลมหายใจกระตุ้นอะไรอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะวิญญาณน่าจะออกไปก่อนหน้า น, นั้นแล้ ว, แ, ลวแต่จะออกตอนไหนเนี่ยมันอันนี้บอกไม่ถูกอ่ะข้อหนึ่งคือว่าการทำสมาธิขั้นไหนคะถึงจะได้กายเทพคะ่ะ มาที่กิดไหนได้อะไรกายเทพกายทิพยกายเท พ, าเทพมารอกายเทพก็คือกายทิพยนั่นแหละสมาธิสําหรับชั้นเทพเนี่ยเอแม้กระทั่งเพียงแค่อนึกพุดโธเท่านั้นไม่ลืมตอนที่จะสิ้นชีวิตก็ได้กายเทพแล้วขอบขระคุณพระเจ้าเหมือนกับคนที่เขา พระท่านไปบอกจนจะตายแล้วก็กสงสารแต่ว่าคนนั้น่ะก็เป็นในพานแค่เนื้อเบลือกามาแต่พอพระไปบอกว่าพุทโธนะโยมก็ได้พุทโทธทรโมนะสังโฆนะใจขัดพอดีก็ไปเกิดเป็นเทพแล้วก็มากวาดทางเดินเดินจงกรมถวายพระเถระอะไรอย่างนี้เป็นต้นกับขอบคุณค่ะ ขอขอเชิญนุชลาพินิสาพิรมกลับนวัฒ ก, การหลวงพ่อพระอาจารย์แล้วนะคะ่ะเมื่อพูดถึงญาณคือความรู้สู่ความสําเร็จเนี่ยอยากทราบว่าตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนแล้วเวลาที่ตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยจะทราบได้อย่างไรและจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่ใช่การคาดคะเนเอาการุณายกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหรืออะไรที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นได้นะคะอะตัวรู้ ยานเกิดขึ้นเ้าเรียกว่ายานเต้่นเนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ เ, เราบริกรรมพุโธแล้วแล้วก็ค่อยขยายตัวขึ้นไปตัวรู้สู่ความสําเร็จนั้นคือตัวที่อยู่เบื้องหลังที่เรานึกพุทโธ ต, ตัวผู้ที่สั่งให้นึกพุทโธนะั่นคือไข่อันนั้นแหละคือตัวยาน แล้วก็อย่างหลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิก็ถามว่าใครคือผู้รู้อันนั้นแหละคือก็คือตัวยานคือหมายความว่าอตั้งแต่เริ่มมีสมาธิยานก็เริ่มเดินตามมาเรื่อยๆแล้วถามอะไรอีกอจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงนี้คือยานเราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเออ ผู้ที่สั่งให้นุพุโทโธเวลาเรานึกพุธโทตัวใครผู้สั่งนึกพุธโธตัวนั่นแหละจะเป็นตัวยานขึ้นมาขอบคุณค่ะก็ถึงคุณบัญจองอวัดพระรีรัไทยกาบนมักการผ้าจารย์ครับอยากจะให้ผ้าจานเล่าถึงกําหนดการเปิดสนสมาธิวิยาและการบรรจุครูเข้าไปสอนสมาธิอย่างไรครับ อ่าอ่าเปิดกัสมาธิวิริยานุภาพนั้นกำหนดว่าจะเปิดวันที่เจ็ดมกราคมและเร า, าโปรแก ร, รมต่างๆนั้นจะได้เขียนขึ้นว่าตอนเช้าเช่นอย่างเก้าโมงนี่หรือว่ากลางวันอาจจะเป็นเที่ยงวันหรือบ่ายโมงอย่างนี้ ตอนเย็นอาจจะเป็นหกโมงหรือว่าตอนกลางคืนอาจจะเป็นสองทุ่มแต่ละครั้งอ่ะจะมีการนำสมาธิและการนำสมาธินั้นไปอาศัยคณะครูมสมาธิที่เรียนจบไปจากสถาบันพลังจิตตานุภาพเนี่ยผัดกันเข้าไปสอน แล้วก็ในที่นี้ไม่แน่อาจจะเป็นทัวร์เมดิเทชั่นทัวร์ที่มาจากต่างประเทศก็จะมาพักนั่งสมาธิถึงเวลานั้นก็ต้องขอนักศึกษาที่รู้จักรู้ภาษาอังกฤษเข้าไปช่วยแนะนำผู้ที่เข้ามาพักเพราะว่าในศูน สมาธิวิริยานุภาพนั้นจะเปิดกว้างให้ทุกคนนี้สามารถเข้ามาปฏิบัติคือสามารถเข้ามาปฏิบัติได้ทุกคนแต่ผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันพลังจิตานุภาพนั้นจะมีบัตรพิเศษสีน้ำเงินให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิก มาปฏิบัติได้ตลอดเวลานั้นถือบัตรสีน้ำเงินมาและจะเสียค่าสมาชิกเพื่อบำรุงปีละห้าร้อยบาทในค่าสมาชิก mm hmm. เมื่อเกิดมีอะไรไม่ค่อยสบายใจนักขับรถเปิดจากบ้านมาถึงกระจอดปั๊บอี ข้างจะดีเนี่ยแล้วก็เข้าปุ๊บไปอยู่ที่นั่นรีเซพชันรับเสร็จแล้วก็เช็คอินแล้วก็เข้าพักอพอเข้าพักไม่ใช่พอเป็นนะเข้าพักเสร็จแล้วก็ดูปโปรแกรมพอดูปโปรแกรมเสร็จแล้วก็เข้าทำสมาธิพอหายพอสบายใจแล้วก็ เ, เดินทางกลับ ขับรถกลับบ้านอะไรที่เป็นต้นขอบคุณครับอ้อต่อไปขอเชิญคุณบันจงสุดเสริกล่ศศรราวมรดกายพระอาจารย์ในชีวิตประจำวันของศิษย์ที่ยอยู่ที่บ้านสมวนวนไหว้พระเสร็จแล้วไหว้าสารพระภูมิเจ้าที่ไหว้สารพระภูมิและสารพระภูมิเจ้าที่ จะต้องใช้ตั้งนโมสทุกครั้งหรือไม่ครับ เ, เวลาไหว้พระภูมิเขไม่ให้ตั้งนโมนะเ อ, อเราคิด อ, อถึงพระภูมิแล้วก็เราก็ไหว้าตามความเชื่อถื อ, อ, อและทีนี้คําถามถามว่าไงนะถามว่าไหนะว้บรรพะที่พระเสร็จแล้วก็ไปไหว้สารพระบุตรเจ้าที่และสารเจ้าที่ ต <บ S 1> อ้องตั้งนโมสามจบทุกคกั้งหรือไม่จากนโมสามจ บ, จบว่าจับเพาะไหว้พระาการวไหวพ้พระภูมิไม่ตอบต่างนโม